ทีนี้อย่างไรชื่อว่าไม่ประมาทปัญญามาดูในหน้า337ร้อยสาม้ําอีกครั้งหนึ่งอย่างไรจึงจะชื่อว่าผู้อยู่แบบไม่ประมาทปัญญาเนี่ยนะว่าไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาระพึงศึกษาสันติเท่านั้นนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนภิกษุอย่างไรเล่าชื่อว่าไม่ประมาทปัญญาดูก่อนภิกษุ ธาตุนี้มี6คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุเนี่ยนะถ้าใครที่น้อมไปพิจารณาโดยความเป็นธาตุหอย่างนี้แหละเรียกว่าไม่ประมาทในปัญญานะไม่ประมาทในปัญญาด้วยการเจริญธาตุหให้ปัญญาเนี่ยเล่นไปในธาตุหก็กระตั้งคำถามเป็นโจทย์ง่ายๆว่าวันนี้ใครคิดถึงใครโดยามเป็นธาตุหกมั่ง คิดถึงตัวเองว่าธาตุหเท่านั้นนะอย่างเงี้นยนะใส่ใจแบบนี้มไมนะ่ถ้าใสา่ใจงี้เรียกว่าไม่ประมาทในธาตุนะะเออเรียกว่าไม่ประมาทในปัญญานะก็ไปใส่ใจนะเออคนที่นั่งข้างหน้าข้างหลังก็ธาตุหกทั้งนั้นนะก็จะลืมอย่างงี้ด้วยก็ดูก่อนพิสุปัตวีธาตุเป็นฉไงคือปัตวีธาตุในภายในก็มีปัตวีธาตุภายนอกก็มี ก็ปฐวีาธาตุภายในเป็นชนิดได้แก่สิ่งที่แข่งแข็งกำหนดได้มีในตนอาศัยตนคือผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืด ม, ม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยไส้ใหญ่สายระไส้อาหารใหม่อาหารเก่าหรือแมสิ่งอื่นไม่ว่าชนิดรายที่แข่งแข็งกำหนดได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าปฐวีาธาตุภายใน ปัตวีธาตุทั้งภายในและภายนอกนี้แลเป็นปัตวีธาตุทั้งนั้นคือจะภายในร่างกายดังกล่าวที่แล้วก็ตามภายนอกก็ตามทั้งหมดนั่นก็เป็นปัตวีธาตุเพึงเห็นปัตวีธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นแล้วจะเบื่อหน่ายในปัวีและจะให้จิตคลายกำหนัดในปัวีธาตุได้ คำนี้นะฟังแล้วเป็นทั้งยาตะปริญญาตีรณะปริญญาปะหานะปริญญาเบเ็ดเสร็จหมดเลยในข้อ684้แปดี่เนี่ยนะการกล่าวถึงว่าสิ่งใดที่มีลักษณะแค่นแข็งกำหนดได้มีในตนอาศัยตนเนี่ยนะที่เป็นปฐวีธาตุภายในเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นอันนี้พวกนี้เป็นยาตะปริญญาตรงตรงอยู่แล้วพอจำแนกออกไปแล้วมันก็ไม่มีใครอะนะมันก็มีแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนนะ ทีนี้พวกปทวีทาธาต์ภายนอกเนี่ยพระองค์ไม่แสดงทําไมไม่แสดงไม่รู้แสดงทําไมพระปุกุษาติเนี่ยท่านละแผ่นดินอาณาเขตเป็นร้อยโยต์มาไม่อะไรมาเลยอะ่ะนะแก้วแหวนเงินทองราชสมบัติท่านสละออกมาได้ไม่รู้จะพูดให้ละทําไมในภายนอกเพราะท่านละมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือปทวีภายในอยู่ในตัวนั่นแหละถ้าที่จะต้องล ะ, ะนะ ส่วนภายนอกเนี่ยละมาหมดแล้วอ่ะไม่เหลือแล้วะนะขนาดมาถึงเมืองราชครกเนี่ยไม่บอกตอนเองว่าตนนี้เป็นพระราชาปรกุศาติเพื่อนต่างหน้าของพระเจ้าพิมพิสารยังไม่บอกใครเลยอ่ะเพราะฉะนั้นท่านไม่ยุติิดในธาตุดินภายนอกโดยประการทั้งปวงะนะเพราะฉะ น, นก็ส่วนที่หรือสําคัญก็คือให้พิจรารณาธาตุดินในภายใน เมื่อพาาาิจารณาธาตุดินภายในก็เห็นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเคยนั่งไล่อย่างงี้มั้งะผมนี่ไม่ใช่ของเราผมนี่ไม่ใช่เราผมไม่ใช่อัตตาของเราคนไม่ใช่เราเดี๋ยนะ <lem par> คือนั่งนึกให้มันแบบให้มันให้มันจริงจังหน่อยนะมันเหมือนกับว่าจะละจริงๆดิงดูนะจะเป็นยังไงนะลองนั่งไปนั่งนึกดูนะคือย้ํำบ่อยๆใช่ไหม ก็บางเรื่องเราย้ำมันน่าเกลียดมันน่าเกลียดมันไม่ดีมันน่าเกลียดมันยังไปเลยเนะอะก็ลองมานั่งย้ำดูผมไม่ใช่ของเราผมไม่ใช่เราผมไม่ใช่อัตตาของเราขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกอน่ยนั่งซ้อมอย่างนี้บ่อยๆมาก ๆ, ๆใช่ไหมครั้นเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราแล้วจะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายนี่เป็นนิพพานุปัสสนานี่นะ มันคำว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราก็คือโดยอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองมันถ้าเห็นว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเบื่อหน่ายใ น, ยนยปัตวีธาตุจะยังจิตให้คลายกำหนัดคลายกำหนัดนี่ระดับไหนก็อริยมรรคนั่นแหละอริยมรรกก็จะยังจิตให้คลายกาหนัดในปัวีธาตุได้มันสแสดงปัวีธาตุพร้อมทั้งปริญญาามเรียบร้อยแล้ว ค, คือเราต้องคิดว่าในลักษณะที่ที่เป็นสมัยสมัยพุทธกาลเลยเนี่ยนะสมัยที่คนสติปัญญาจำแม่นหมดเลยแล้วเขาเจริญเป็นชีวิตจิตใจด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องพูดมากคือให้แนวทางเข้าโครงเดียวที่เหลือเขาไปทำเขาเองเนี่ยนะเนี่ยลักษณะคนสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นต่างจากยุคนี้มากเนี่ยนะคือยุคนั้นเนี่ยเขาเห็นการเจริญเพื่ออ อ, อกจากวัฏทุกเนี่ยเป็นสาระเนี่ยนะ เป็นเป็นสาระซึ่งต่างจากยุคหลังเขาบอกว่าอะไรนะลองศึกษาดูเขาบอกกันลักษณะเผื่อๆไปงั้นแหละดู ก, ก่อนภิกษุก็อาโปาธาตุเป็นชไหนะคืออาโปาธาตุภายในก็มีภายนอกก็มีก็อาโปาธาตุภายในเป็นชไหนะก็ได้แก่สิ่งที่เอิบอาบซึมซาบกําหนดได้มีในตนอาศัยตนก็ดีเสเลตน้ําเหลืองเลือดเหงื่อมันข้นน้ําตาเปลียวมันน้ําลายน้ํามูกไขข้อมูดนี ให้เราติดปัสสาวะด้วยหรือยึดติดไหมหรือไม่ติดก็ดื่มปัสสาวะเป็นยาใช่ไหมก็ลองปัสสาวะไม่ออกดูดิหรือบริโภคไปแล้วไม่มีปัสสาวะเลยเนี่ยนะเ<ม>ดือดร้อนอีกนะเราก็ติดนะคือมันติดจนเขาบอกว่าเอาทงปัสสาวะออกเถอะอย่างไง้นะด้านน่ะจะเริ่มรู้ว่าติดจริงๆแหละแต่ถ้ายังยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์นะั้นเหมือนไม่มีติดนะแต่จริงๆติดจนนอะไรนะ พอมาชอบคำที่พระพุทธเจ้าตรัสคำว่าโอคะเนี่ยนะเมื่อก่อนไม่ไม่เคยซึ้งแล้วตอนหลังให้ซึ้งมากคำว่าโอคะเนี่ยใครเคยลงน้ำบ้างพลิกไปทางไหนก็เปียกถ้าลงน้ำจริงๆนะถ้าไม่มีอะไรปกไม่มีอะไรเป็นเกาะเลยนะพลิกไปทางไหนก็เปียกผู้ที่มีตันหาเนี่ยที่ที่เรียกว่ากามโมคะเนี่ยนะพลิกไปทางไหนก็เข้าอะ่ะตันหาแทรกไปหมดนะพลิกอะไรมางตันหาไม่ชอบ สมมติไปตรวจปัสสาวะแล้วบอกปัสสาวะเราดีเยี่ยมเลยไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยดีใจไหม ย, ยังดีใจอีกนั่นแหละมันติดหมดทุกเรื่องอะนะขอให้รู้เถอะว่าเกี่ยวข้องกับภายในกายเนี่ยติดหมดอะเนะนี่ยนพวกอโปธาตเหล่านี้นะ หรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดใดๆที่เอิบอาบซึมซาบกําหนดได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าอาโปธาต์ภายในก็อาโปธาต์ทั้งภายในและภายนอกนี่แลเป็นอาโปธาต์ทั้งนั้นเพึงเห็นอาโปธาต์นั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นแล้วจะเบื่อหน่ายในอาโปธาต์และจะให้จิตคลายกําหนับในอาโปธาต์ ต้องมาย้าบ่อยๆนะว่าดีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตราของเราอ่ะ น, นะเสดอะไรนะหมอว่าอะไรนะน้ำคัดหลังใช่ไหมเศษเสดน่นนะเสมหะเนี่ย น, นะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตราของเรานั่งย้าให้หมดเลยนะทั้ง42อันเนี่ยนะถ้านั่งย้ํามาละ89รอบนนะเนี่ยนะดีแน่นอนเลยนะนั่งย้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอ่ะนะคือย้ําให้มันจริงๆนะ <im fallen> ไม่ใช่จริงๆเลยนะไม่ใช่เลยเนี่ยนะ ย้ำจริงๆนะ่าเชื่อว่าบรรุแน่เพราะแต่ว่ามันก็ของเราอ่ะนะในที่สุดอ่เนะ่ยก็ ค, คือมันไม่น้อมไปจริงอะนะถ้าน้อมจริงมันก็ไม่ใช่ของเราจริงๆอะ่ะเชื่อก็พระองค์ยังตรัสเลยใช่ไหมว่าเห็นไม้เห็นท่อนไม้ไหมล่ะมันจะต่างอะไรจากท่อนไม้ข้างนอกกันนะอาจีรังว่าแต่ยังกายโยปัตวิงอธิเสสติจุดโทเปตวินญาโนนีราทั้งวะกัลลิงครังเนี่ยนะ บอกว่าไม่นานเนอะร่างกายนี้มันก็จะท่องท่วมทับซึ่งแผ่นดินนะเนี่ยบุคคลเมื่อวิญญาณปราศจากไปแล้วก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนนะฮประโยชน์ไม่ได้แล้ววิญญาณคิดหรือมันจะอยู่อีกนานเนี่ยนะมันจะเห็นอันนี้ไม่นานก็จะเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟื น, นถ้าลองหลับสนิทจริงๆนะต่างกันไหมจะคลองเผลอเลยนะอีกคนหนึ่งไปดูเออมันตัางอะไรจากท่อนไม้ท่อนฟืนเนี่ยนะท่านก็ถ้า ถ้าเห็นโดยชอบจริงๆเนี่ยนะสามารถที่จะตัดฉันธราคะได้ก็แต่ถ้าเมื่อก่อนในอ่านก็ไม่ค่อยเข้าใจเมืเม่อกี้นะเพิ่อนๆเน่ยนะจริงก็สูตรเหล่านี้ผมมาอ่านไม่รู้กี่สิบรอบแล้วแต่ว่าก็ไม่เคยได้ทราบซึ่งอะไรสักเท่าไหร่นะแยกอะไรไม่ค่อยออกแต่ว่าของเราทั้งหลายก็เก่งมากนะแยกเป็นปริญญาก็แยกได้แล้วอะไรก็ได้แล้วได้ทั้งหลายอย่างที่เหลือก็เหลือแต่ภาวนาอย่างเดียวนะเอาไปเจริญเถอะเนี่ยนะ นี่มาดูเตโชธาต์ต่อหน่อยว่าดูก่อนพิกษุก็เตโชธาต์เป็นไนะคือเตโชธาต์ภายในก็มีภายนอกก็มีก็เตโชธาต์ภายในเป็นไนะได้แก่สิ่งที่อบอุ่นถึงความเร่าร้อนกําหนดได้มีในตนอาศัยตนคือธาตุที่เครื่องยังกายให้อบอุ่นยังกายให้สุดโอมยังกายให้กวนกวายและธาตุที่เป็นเหตุให้ของกินที่กินเนี่ยที่ดื่มเคี้ยวลิ้มถึงความย่อยไปด้วยดี อันถือว่าการย่อยอ่ะทั้งหมดในร่างกายนี้ถือว่า เ, เตโชธาตเป็นหลักหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรๆที่อบอุ่นถึงความเร่าร้อนกำหนดได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าเตโชธาตภายในก็เตโชธาตทั้งภายในและภายนอกนี้แหลเป็นเตโชธาตทั้งนั้นเพิ่งเห็นเตโชธาตนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นแล้วจะเบื่อหน่ายเตโชธาตุและจะให้จิตคลายกำหนัดเตโชธาตุได้มันก็ไฟข้างนอกเราก็ไม่ติดเท่ากับไฟภายในสัเท่าร่นะลองดูมันอุ่นน้อยหน่อยกว่านี้สักนิดหนึ่งนะนะเดือดร้อนอีกใช่ไหมมันร้อนเกินกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งก็เดือดร้อนอีกนะครับเพราะธาตุภายในกายเนี่ยในะความอบอุ่นในร่างกายในเราติดคล่องมากๆเลย ทำพรองให้ตามเห็นนะว่าธาตุไฟที่ทําให้แก่ลงทุกวันทุกวันนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะเนี่ยนะก็ไล่ดูทุกวันทุกวันดูย้ําบ่อยๆคําว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะต้องต้องไม่ลืมนะว่าโดยอัตถะนั้นหมายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาในที่อื่นนี่บอกไว้แล้วแต่ตรงนี้สูตรนี้ก็คือไม่ได้บอกไว้เพราะที่อื่นบอกไว้บ่อยมากเกินไปนั ก็เลยเดี๋ยวจะซ้ํำซากมากนักไว่ากั้นเพราะว่าถ้าขยายตามขยายทุกที่ขยายเหมือนเดิมไปหมดเลยเนี่ยนะท่านบอกว่าเป็นโทษของการเขียนคมภ <c oughs> ีเรียกว่า <c oughs> พูดคําซ้ํำซากเกินไปนะ <c oughs> บางบางคนก็บอกอย่างนี้นะก็บอกว่าหลักการเขียนหนังสือที่ฉลาดครว่าให้คนอ่านครั้งเดียวแล้วกําหนดได้ตลอดไปเนี่ยเรียกว่านักคนเขียนนั้นฉลาดมา ก, กว่ากันนะดูก่อนพี่สุก็วาโยธาตเป็นไน คือวายโยธาภายในก็มีภายนอกก็มีก็วายโยธาภายในเป็นไนะได้แก่สิ่งที่พัดผันไปกาหนดได้มีในตนอาศัยตนคือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมแล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจออกหายใจเข้าหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดใดๆที่พัดผันไปกาหนดได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าวาโยธาภายน ก็วาโยธาตทั้งภายในและภายนอกนี่แหลเป็นวาโยธาทั้งนั้นเพึงเห็นวาโยธาดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงถ้าเป็นบาลีนะเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงเนี่ยหมายถึงว่าสมณุปัสสนาเนี่ยก็คือเห็นด้วยสวิปัสสนานั่นแหละสมณุปัสสนาเนี่ยหมายถึงเห็นด้วยปัญญาทําเห็นอยู่อย่างนั้นแหละว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเรา ครั้นเห็นแล้วจะเบื่อหน่ายวาโยธาตและจะให้จิตคลายกำหนัดวาโยธาตได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้บอกว่าเจริญวิปัสสนาใช่ไหมแต่ก็บอกว่าด้วยปัญญาอันชอบเนี่ยนะก็คือสมานุปัสสนานั่นเองสมานุปัสสนาซึ่งหมายถึงวิปัสสนาสมานุปัสสนาตามเจริญปัญญาอันนี้ซึ่งถ้าผู้ที่ เป็นสายสายบาลีอะไรเลยจริงๆเนี่ยเขาบอกแล้วว่าคํานี้เป็นอนุปัสนาเนี่ยนะก็ตามเห็นตามเจริญตามเพ่งอย่างนั้นแหละนั่นแหละเรียกว่าเจริญอนุปัสนาอยู่แล้วดูก่อนพิสูจน์ก็อากาศสาทธาเป็นไงนะคืออากาศสาัทธาภายในก็มีภายนอกก็มีก็อากาศสาัทธาภายในเป็นไนะได้แก่สิ่งที่ว่างปลุกปร่ปรงกําหนดได้มีในตนอาศัยตนคือช่องหูช่องจมูกช่องปากซึ่งเป็นทางให้กลืน่น ช่องปากซึ่งเป็นทางให้กลือนของที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มเป็นที่ตั้งของที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มและเป็นทางระบายของที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มแล้วออกทางเบื้องล่างนะก็คือทางเดินลำไส้ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าอากาศสาตวใช่ไหมทางเดินอาหารหน่อยนะทางเดินอาหารทั้งหมดเลยหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดอะใดที่ว่างปลุกโปร่งกําหนดได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าอากาศสัตว์ภายใน ก็อากาศสาธาติทั้งภายในและภายนอกนี้แหลเป็นอากาศสาธาติทั้งนั้นพึ่งเห็นอากาศสาธาตินั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะก็อากาศสาธาติเนี่ยบางว่างอย่างที่คุณหมอว่าเล่าให้ฟังบ่อยๆใช่ไหม<อ>เดี๋ยวมันก็ตีบบ้างเดี๋ยวมันก็ตันมั่งนะอากาศสาธาติมันไม่ค่อยนะตั้งแต่หลอดอาหารลงไปเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ เดี๋ยวมันก็ตีบบ้างเดี๋ยวก็ตันบ้างเดี๋ยวมันก็กลืนกันเองบ้างเป็นต้นนะเพรา ะ, ะนั้นก็พวกนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราอะไรเพราะไม่มีอํานาจอะไรอย่างแท้จริงในอากาศสาทธช่องว่างเหล่านั้นเหล่านั้นเลยเนี่ยนะคืออากาศสาทธาเนี่ยมันเป็นช่องว่างอนะ <c oughs> คือที่เรียกว่ามันเป็นรูปเพราะมันไม่รู้อารมณ์มันมันเป็นอสภาวะรูปหนะ้อากาศสัทธาเนี่ยเพราะไม่มีใครเห็นอากาศได้ แต่ว่าที่ร่วมเป็นอากาศเพราะมันอยู่ระหว่างเคยที่ที่เรายึดติดถือในช่องว่างเนี่ยเพราะเยาเรายึดถือไอ้ธาตุสี่ประการเนี่ยช่องว่างมันอยู่ว่วางระหว่างธาตุสี่ปฐวีอาโปโตเตโชและวาโยใช่ไหมเมื่อมันช่องว่างอันนั้นเราก็เลยยึดติดด้วยเอาง่ายง่ยงี้นะเวลาเราหกปากอ้าปากมันจะมีช่องว่างว่า ง, างอยู่นั่นถ้าลองมันไม่ว่างดูสิอนะันเนี เดือดร้อนเนี่ยนะจมูกของเราที่หายใจอยู่เนี่ยถ้าเกิดมันลองไม่ว่างดูสิอ่นะเดือดร้อนอีกกลืนอะไรลงไปนัลองมันตีบอยู่ข้างล่างนะัมันไม่ว่างอ่ะ น, นี่มันกลืนไม่ลงนี่ก็เดือดร <even> mm. ้อนอีกคือช่องว่างเหล่านี้นยะจริงๆมันเราติดมากๆเลยลองกลืนอะไรไม่ลงดูสิอะไรจะเกิดขึ้นลองมันไม่มีอากาศสาธาติหมายว่ามันไม่มีช่องอ่ะนะมันตีบมันตันมั น, นอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าก็เราก็มีปัญหาละ สรุปว่าถ้ายังจิตให้คลายกำหนัดในมหาพูดแลยนะอากาศก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะอากาศมันเป็นช่องว่างระหว่างมหาพูดเหล่านั้นเองคือไม่ให้ติดแม้แต่อันเดียวส่วนเนื้อหารายละเอียดตอนหลังไปเนี่ยเป็นรูปกรรมฐานคือตั้งแต่ข้อ6 8 4้ถึง688นะพวกนี้เป็นรูปกรรมฐานเป็นการแสดงรูปกรรมฐานรูปกรรมฐานที่กล่าวนี้เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนา แสดงทั้งสมถะและวิปัสนาอย่างท่านปุกุสาตินี่มีลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์ตอนต้นจนได้ชาญในตอนหลังพ่นลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้ชาญได้อื่นๆนะปัทวีธาบอย่างผมก็ต่อด้วยนีละกะสินได้เล็บก็ต่อด้วยโอธาแตกสินเป็นต้นได้เพราะนั้นเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาสมถะก็คือปรารภในธาตุหรือโดยความเป็น กสินถ้าวิปัสสนาก็ตามเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเป็นต้นส่วนอรูปกรรมฐานนี่ก็คงไม่บอกวันไหนละเลยเวลาละท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะพ้นจากมิจฉาทิฏฐินนะเจริญด้วยสัมมาทิฏฐิปฏิบัติอยู่ในปฏิปทาที่ทําให้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าโดยทั่วกันวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้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 และ21นาฬกาถึง23นาฬกาทั้งสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร1 3 6, ึ่สสนใจซ d ดีหรือ MP3 ติดต่อดที่โรงพยาบาล rin, นวนครถนนผู้หนโยธินโทรศัพท์0ูนย์สอง3้าโรงพยาบาลนวนครอยุธยาถนนเอเชียโทร3 5 315 100นึงห<ล>้าลนึ่งนย์ศูนย์ถึงสามศูนย์และมูลและนิทรรศธรรมโทรศัพท์ศูนย์สองเจัญหนึ่นึ่งห้าเก้าเกาเจสุภางิตาขออนุโมทนาค่ะ กระร๊าหมุต